คำอุทิศส่วนกุศลอิทังปุญญพลังอานิสงส์อันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญไปแล้วนี้ขอผลบุญนี้จงแผ่ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้มาอนุโมทนา เมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้อโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปขอแผ่บุญกุศลนี้ไปถึงเท พ, พเจ้าทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าอยู่ก็ดีนอกจากนี้ก็ดีทั่วสากลพิภพจงมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพพรหมทั้งหลายพูดผีปีศาจ ท, ทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ก็ดีอยู่บ้านของข้าพเจ้าก็ดี ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขและขอแผ่บุญกุศลนี้ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายมีบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องมิตรสหายของข้าพเจ้าทั้งหลายที่สวยความสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีขอให้ทุกท่านจงมีความสุขขอพลานิสงนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อยู่ดีกินดี มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปและได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้าด้วยเทิน